เรื่องสูจิลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างมีคนเป็นเข็มเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแต่เขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสกถือบาดและจีวรเข้าไปหา พระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักณะมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชคลีด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักณะถามว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านลักณะ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 ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสู้จิลมเปรตเพศชายลอยในอากาศวงเล็บขนเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมาร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่า น่าสะใจรรจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตนําหนิประนามโพลทนาว่าพระมหาโมคลานะกราวอวดอุตริมนุสธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจกักษุยัน์ก็ยังมีอยู่เพราะสาวก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 แล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่43า